ทันทำไยังทำมาผิดติงกรโรมะเสยย่อจวัจจวัตตาตวะตาธัมโนระาทรานั่ตใจเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาชเจ้าได้ตราไว้ดีแล้วทันเะติดก่อ สาละปฏิบัต hmm ิถึงได้ด้วยตนเองอาตาลโกเป็นสิ่งท ah. ี่ป <học> ฏิบาตได้และให้คนได้ไม่จำกัดกันเยหิปฏิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวต่อผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันนิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใจตัว ทองที ah ่ต ah ัดผูบินอยู่เรื่องสิงที่ผู้รู้ก็รู้ได้เพาะตนทามังขามังอาภิสยามิทาวเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นทามังขามันเทวสุานามาภิทาวเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้า